คือถ้าถ้าทุกคนเนี่ยฉลาดเป็นเก่งอย่างนั้นจริงอ่ะนะบรรดาสมณะพราหม์เหล่านั้นใครๆจะไม่เป็นผู้มีปัญญาเสื่อมรอบอธิบายว่าบรรดาสมณะพราหม์เหล่านั้นใครๆจะไม่เป็นผู้มีปัญญาเลวมีปัญญามมีปัญญาต่ำช้ามีปัญญาลามกมีปัญญาสกปรกมีปัญญาต่ำต้อยสมณะพราหม์ทั้งหมดจะเป็นผู้มีปัญญาเลิศมีปัญญาประเสริฐมีปัญญาวิเศษมีปัญญาเป็นประธานมีปัญญาอุดม มีปัญญาบาวรนั่นนะเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าบรรดาสมณะพราหมณ์พวกนั้นใครใครจะไม่เป็นผู้มีปัญญาเสื่อมรอบถ้าไ อ, ไอคนเนี่ยมันทะเลาะกันใช่ไหมมันก็ถามว่าเหมือนเหมือนเหมือนสมัยหนึ่งอ่ะนะที่เขาเล่นหุ้นกันอะ่ะก็บอกโอ๊ยทุกคนก็มีแต่ได้มีแต่ไ ด, มได้มีแต่ได้หมดนี้โยมก็ถามว่าแล้วใครเสียละคะเ น, นี่ยเพราะทุกคนมีแต่ได้หมดใช่ไ ห, ไหนที่สุดนายคนที่ได้อะ่ะหมดตัวกันหมด ในพวกที่ได้ได้นะหมดเพราะมันเหมือนเนี่ยพวกนี้เหมือนพวกที่ทีนะถ้าทุกคนมันได้หมดนะถูกหมดเอะมันก็ไม่คิดไม่เหมือนกันอ่ะถ้าคิดไม่เหมือนกันแล้วมันจะมันจะมันจะถูกหมดได้ยังไงอ่ะนะมันไม่มีใครผิดอ่ะนะแล้วมันขัดแย้งกันอ่ะสองรัฐที่เนี่ยมันไม่เหมือนกันอ่ะเมื่อรัฐที่เหล่านี้มันไม่เหมือนกันเนี่ยทุกคนมันฉลาดหมดนะแล้วใครมันจะผิดบ้างเนี่ยเนี่ยนะ คําว่าทิฐินี้เป็นธรรมชาติอันสมณพราหมณ์ถือเหล่านั้นอ่ะถือเอาอย่างบริบูรณ์เขาถือเอาอย่างเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เนี่ยนะความว่าทิฏฐินี้เป็นธรรมชาติอันสมณะพรามเหล่านั้นถือเอาบริบูรณ์สมทานถือยึดมั่นถือมั่นติดใจน้อมใจไปอย่างนั้นนะสรุปว่า ก็ถ้าพวกสมณะพราหมณ์เป็นผู้ผ่องแผ้วเพราะทิฏฐิของตนเป็นผู้มีปัญญาหมดจดดีเป็นผู้ฉลาดมีความรู้ไซอะนะคําว่าไซเนี่ยก็คือถ้านะท่าอะไรก็ตามเนี่ยเออท่าวันนี้ฝนตกนะไฟคงจะดับประโยคแบบเนี้จริงไหมไม่จริงตอนนี้ก็เหมือนกันเขาบอกว่าถ้าพวกสมณะพราหมณ์ผ่องแผ้วเพราะทิฏฐิของตนเป็นผู้มีปัญญาหมดจดดีเป็นผู้ฉลาดมีความรู้ไซอ่ะ บรรดาสมณพราหมณ์พวกนั้นใครใครจะไม่เป็นผู้มีปัญญาเสื่อมรอบเพราะทิฏฐิเป็นธรรมชาติอันสมณพราหมณ์แม้เหล่านั้นถือเอาอย่างนั้นน่ะถือเอาอย่างบริบูรณ์เต็มเปี่ยมเลยนะก็อย่างอย่างสมัยพุทธกาลเนี่ยเขามีผู้ที่ปฏิญาณตนว่าเป็นพระพุทธเจ้าใหญ่ใญอ่อยู่เจ็ดท่านเห็นไหทีนี้ถามว่าถ้าทุกคนเป็นพระพุทธเจ้ากันหมดอ่ะเป็นจริงไหมล่ะ ดีนะถ้าทุกคนเป็นพระพุทธเจ้าทั้งหมดนะใครจะตกนรกบ้างมันทุกลัที่สอนเพื่อนนิพานหมดแต่จริงแล้วใช่ไหมล่ะก็ไม่ใช่เนี่ยนะนี่ก็เหมือนกันเนี่ยนะจะไม่มีใครเสื่อมเลยนะถ้าถ้าจริงกันทั้งหมดเนี่ยนะแต่นี้มันจะจริงได้ยังไงเพราะมันขัดแย้งกันอีกคนหนึ่งบอกดําอีกคนหนึ่งบอกขาวอะ่ะต่อไปว่าคนคู่กล่าวปลารบทิฏฐิใดกะกันและกันว่าเป็นพานนะคนคู่กันเนี่ยนะ ปลาลบที่ถีใดอ่ะทุกคนก็ยืนที่ถีของตัวเองไงไหมอีกคนหนึ่งอ่ะถือมั่นว่าเที่ยงอีกคนหนึ่งถือว่าศูนย์อย่างเงี้ยไงทุกคนเนี้ยถืออยู่อยู่บนหลักเกณฑ์ของตัวเองไงไหมเสร็จแล้วก็ตําหนิไอ้ฝ่ายตรงกันข้ามว่าเป็นเป็นผานอย่างเช่นไอ้พวกที่ถือเที่ยงก็จะตําหนิพวกที่ถือศูนย์ว่าโง่ไอ้พวกที่ถือว่าศูนย์พวกที่ถือว่าเที่ยงเนี่ยโง่ทันจะถือว่าอีกฝ่ายหนึ่งนี่โง่หมด ข้าพระองค์ไม่กล่าวทิฏฐิ62ที่กล่าวไปนั้นว่าจริง เ, เพราะทิฏฐิ62เนี่ยย่อมาก็เหลืออุเฉตกัสัตาทิฏฐิเนี่ยนะพวกสมณะพราหมณ์ได้ทำทิฏฐิของตนของตนว่าจริงเพราะเหตุ น, นั้นแหละพวกสมณะพราหมณ์จึงเห็นคนอื่นว่าเป็นพานนะถ้าอย่างเช่นถ้าพวกที่ที่ถือว่าตายแล้วศูนย์นะจะชอบผลให้ทานไหมไม่ให้อะนะ และไอ้วพวกที่ที่เชื่อว่าตายแล้วเนี่ยชีวิตอมตะหลังจากตายเนี่ยมันก็ไปถกอับไอ้พวกนั้นอนะโง่แกไม่ฉลาดเลยถือว่าตายแล้วศูนย์จริ ง, รงๆมันไม่ศูนย์นะเนี่ยก็ถกกันไปถกกันมาเพราะมันจึงเห็นว่าคนอื่นเนี่ยโง่หมดอะฉลาดจ่ชั้นคนเดียวนะแต่ว่ากิเลสเหมือนเดิมไงไอ้คนฉลาดกิเลสเท่าเดิมนั่นแะถ้าฉลาดจริงมันก็หมดกิเลสนะแต่ว่าเราเนี่ยฉลาดที่สุดแต่ว่าโกรธเท่าเดิมโลภเหมือนเดิม ทุกอย่างเหมือนเดิมหมดไอ้ที่ไม่เหมือนเดิมก็เนื้อหนังมังสานะไม่ค่อยเหมือนเดิมอะแกลงทุกวันทุกวันอะนะแต่ทิฏฐินี่แก่กล้าขึ้นทุกวันเหมือนกันสรุปว่าไอ้ทิฐินั้นคือที่สี่หกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นข้าพระองค์ไม่บอกไม่กล่าวแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกทําให้ตื้นประกาศที่ฐิหกสนั้นว่าจริงแท้เป็นจริงเป็นตามจริงไม่วิปริตเพราะฉะนั้นจึงเชื่อว่าข้าพระองค์ไม่กล่าวทิฐินั้นว่าจริง ปฏิเสธนะไอ้ที่หกสิบสองไม่จริงหรอกแต่เนี่ยนะถ้าถ้าเราบอกเรามาอ่านแต่สูตรแบบนี้นะโอ๊ยที่หกสิบสองเนี่ยเลวมากเลยนะไม่ดีเลยนะแต่ถ้าไปอ่านพรหมชาลสูตรนะบางทีอเห็นด้วยกับพวกนั้นอีกนั่นแหละตอนที่มาฟังอย่างเออที่ทหกสิบสองเนี่ยเลวมากมันไม่ดีจริงๆเลยนะแต่ถ้าไปเรียนที่ทีหกสิบสองเอ้ยนี่มันมันก็น่าจะใช่นะมันเป็นแบบนี้แหละเนี่ยเพราะถ้าถ้าไม่ฉลาดจริงๆนะ ถ้าผู้ใดไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทเนี่ยไม่เข้าใจปฏิจจสมุปบาทไม่เข้าใจปัจจัยไม่เข้าใจกรรมวัฏวิปากวัฏกิเลสวัฏเนี่ยนะไม่มีสิทธิ์ชำระทิฏฐิหกสิบสองได้ไม่ตกอยู่ทิฏฐิใดก็ต้องตกอยู่ทิฏฐิอันหนึ่งนั่นแหละเนี่ยนะเพราะฉะนั้นความรู้ในปัจจัยเนี่ยเป็นความรู้ที่จะชําระความเข้าใจผิดหรือทิฏฐิหกสิบสองเนี่ยนะพูดย่งนี้เผื่อจ้างกาสอนการจะเรียนปัจจัยบ้างเนี่ยนะ จะได้ละอาทิตที่หกสิบว่าคนคู่คนคู่ก็คือคนสองคนเนี่ยนะผู้ทะเลาะกันคนสองคนทําความหมายมั่นกันคนสองคนผู้ทําความอื้อเฉาวกันคนสองคนผู้ทําความมิวาดกันคนสองคนผู้ก่อที่การกันนะก่อที่กรกันคนสองคนผู้พูดกันคนสองคนผู้ปราศัยกัน คนคู่เหล่านั้นน่ะกล่าวบอกพูดแสดงถแถลงกะกันและกันอย่างนี้ว่าท่านเป็นพานเลวซามต่ำชา้าสกปรกต่ำต้อยเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าคนคู่กล่าวปรารพทิฏฐิใดกะกันและกันว่าเป็นพานนะพทุกคนถือรัที่ไม่เหมือนกันมันจะต้องถืออีกฝ่ายหนึ่งว่าโ ง, ง่นีน่ยนะเาเหมือนนักมวยอะ่ะถ้าถือว่าอีกฝ่ายหนึ่งชนะอีกฝ่ายหนึ่งจะไปต่อสู้กับเาไห ไม่ไปต่อยด้วยหรอกเพราะฉะนั้นต้องถือว่าฝ่ายโน้นต้องแพ้ฝ่ายชั้นต้องชนะอีกฝ่ายโน้นเขาก็คิดอย่างนี้ยสรุปแล้วใครแพ้ใครชนะนั่นะก็โดนต่อยเหมือนกันทั้งคู่นั่นแหละคำว่าเพื่อสมณพราหมณ์ได้ทำทิฏฐิของตนของต น, งต น, งตนว่าจริงความว่าเพื่อสมณพราหมณ์ได้ทำทิฐิของตนของตนนั้นว่าจริงโดยอ้างว่าโลกเที่ยงสิ่งนี้แหละจริงสิ่งอื่นเปล่าไอ้เพื่อที่สองบอกไม่ใช่โลกไม่เที่ยงสิ่งนี้แหละจริงสิ่งอื่นเปล่านะโตวาทะกันนะนะ ตว่าถ้าก็คือโตอทิฏฐิะนะว่าความเห็นของใครมันจะดีกว่ากันแนวทิฏฐิของใครมันจะประเสริฐกันก็ถกกันแบ่งกันไปแล้วแบ่งเป็นสิบลัทธิลัทธิใหญ่ๆนะเรียกว่าอันตักคาหิกะทิฏฐิมันแต่ละฝ่ายก็จะยืนยันอนะบ อ, บองบางพวกบอกสัตว์ตายแล้วเที่ยงบางพวกบอกสัตว์ตายแล้วศูนย์เออแล้วจริงๆสัตว์ตายแล้วเที่ยงหรือศูนย์จริงๆนะนะผิดทั้งคู่นะเพราะสัตว์จริงๆไม่มีใช่ไหมมีแต่ขันท่า นะขันห้านี้เป็นที่ตั้งโวหารว่าเป็นสัตว์นี้ขันห้าเนี่ยรูปเกิดจากปัจจัยเวทนาสัญญาสังขารก็เกิดจากปัจจัยเนี่ยนะเมื่อปัจจัยมีขันห้าจึงมีถ้าสิ้นปัจจัยขันก็สิ้นไปเนี่ยนะความแตกทาลายแห่งขันโวหารว่าสัตว์ตายความเกิดขึ้นแห่งขันโวหารว่าสัตว์เกิดขึ้นเพราั้นคำว่าสัตว์เนี่ยจริงอยู่โดยโวหารแต่ทีนี้เมื่อเอาโวหารมาถกกันน่ะนะมันก็เหมือนกับคนหลงทิศทะเลาะกัน่ะ ซึ่งทั้งฝ่ายนี้ก็ชี้ทิศผิดทั้งคู่นะก็ทะเลาะกันอ่ะเพราะเหตุนั้นคําว่าเพราะเหตุนั่นแหละพวกสมณพราหมณ์จึงเห็นคนอื่นว่าเป็นคนผานเนี่ยนะเพราะเพราะยึดถือแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยนะถ้าอย่างตรงนี้แบ่งเป็นสิบรัที่เนี่ยนั้นแต่ละลัที่เนี่ยก็ถือว่าตัวเองเนี่ยจริงเมื่อถือว่าตัวเองจริงก็ถือว่าตัวเองเนี่ยเป็นบัณฑิตเมื่อถือว่าตัวเองเป็นบัณฑิ ต, ต, ตก็ต้องเห็นคนอื่นว่าเป็นผาน เพราะเหตุนั้นเพราะการณะนั้นจึงเห็นคือมองเห็นแลดูเพ่งดูพินิษ ด, ดูพิจารณาดูซึ่งคนอื่นว่าเป็นพานเลวซ า, า, า, ามตำช้าสกปรกตำไตเนี่ยนะแล้วก็ตอบว่าคําตอบก็คือคนคู่ปรารบทิฏฐิแต่กันและกันว่าเป็นพานข่าพระองค์ไม่กล่าวทิฏฐินั้นว่าจริง น, นะสรุปว่าคําถามที่พระพุทธเจรนรมิตแตถามเนี่ยนะก็คือถามว่าแต่ละฝา่ยนะ า, ายเนี่ยนะว่าทิฏฐิใดเนี่ย บริสุทธิ์กันแน่พระองค์ก็ปฏิเสธว่าทิฏฐิทั้งหมดเนี่ยไม่มีดีสักสิฏฐิหลอกนีนะเพราะว่าอทิฏฐิเหล่านั้นเนี่ยมันเกิดจากความเข้าใจผิดเมื่อเกิดจากความเข้าใจผิดแต่และฝ่ายก็ทะเลาะเบาะแวงกันเพราะฉะนั้นไอ้ทิฏฐิเหล่านั้นก็ปฏิเสธทั้งหมดนะเนี่ยประมาเหมือนกับว่าพวกเดรธีทั้งหลายเหมือนพวกตาบอดนะนีมีสมัยพุทธกาลเนี่ยก็มีพระราชาพระองค์หนึ่งพระราชาพคเนี้ขี้เล่นนะ วันหนึ่งพระราชาเขาก็อยากเออเอาอะไรมาตลกตลกดีนะวันนี้นะอยากเขาจะคิดมุกอะไรแปลกๆขํๆเนี่ยมันก็เห็นคนตาบอดนะใครคนตาบอดเนี่ยเป็นโจกให้เราเป็นอย่างดีนะก็เลยเอาช้างมาตัวหนึ่งเนี่ยนะสั่งให้คนตาบอดทั้งเมืองสาวัตถีเนี่ยมาประชุมกันมาประชุมกันก็กระสิบอ่าคนสนิทใกล้ๆเนี่ยนะบอกไปแสดงช้างให้คนตาบอดมันดูสินะก็เอาคนตาบอดมา พวกกลุ่มที่หนึ่งบอกว่าให้ไปจับเสาเออขาชา้างเนี่ยนะบอกว่าชา้างมันเป็นอย่างนี้นะจําไว้ว่าชา้างมันเป็นอย่างนี้จับขาชา้างไอ้ ele, คนตาบอดมันเคยจับเสาบ้านไนหะมันก็เลยนึกว่าเออขาชา้างกับเสาบ้าเออ ช, bud, ช้างกับเสาบ้านเหมือนกันนะพอให้จับแต่บางตําแหน่งนะเนเี่ยเออเนี่ยพราะช้างเนี่ยเหมือนเสาบ้านไอ้คนอีกกลมนึ่งเขบอกว่านี่ช้างเป็นอย่างนี้นะให้จับงวงช้างเหมือนอะไรกันในงวงช้าง อีไฟหนึ่งก็บอกเหมือนอะไรเนีย <il> เหมือนอะไรเนี่ยจไม่ได้ละให้จับงวงช้างหรืช้างเป็นอย่างนี้นะให้จับงวงอีกคนหนึ่งก็ให้ไปจับใบหูบอกเหมือนกระดง้งจับใบหูนะเออเนี่เหมือนกระด้งจับไว้เนี่ยช้างเป็นอย่างนี้แหละไฟหนึ่งก็ให้มาจับหางช้างเหมือนไงไม้กวาดนไนะฟหนึ่งก็อีกพวกหนึ่งก็ให้ไปจับข้างสีข้างของช้างก็เหมือนฉางข้าว เสร็จแล้วก็ให้จับทั่วๆกันอย่างนี้นะแต่ตาบอดให้ไม่ให้จับที่อื่นนะให้จับที่ตรงนั้นแหละเสร็จแล้วก็บอกว่าอ้าวพอละคนตาบอดมาถามกันมาถามต่อหน้านะคนตาบอดที่หนึ่งก็ว่าไงช้างเหมือนอะไรเหมือนเสาพระเจ้าค่าไอคนที่สองบอกคนที่สองอ่ะเหมือนอะไรก็บอกเหมือนช้างเข้าพระเจ้าข่าไคนที่สามบอกไม่ใช่เหมือนกระด้งพระเจ้าค่าไคนนึงบอกเหมือนไม่กวาดนะก็อะไรอกันเนี้ย ไม่ใช่อ่ะนะอีกฝ่ายบอกฉันจับมากับมือมันเหมือนเสาอีกคนหนึ่งบอกไม่ใช่จับมากับมือเหมือนฉางเข้าเนี่ยก็ทําไงก็ตีกันน่ะทะเลาะกันพระราชาก็ขำคิคิกคๆกับตาบอดก็ซัดกันทั้ง น, น่วมหมดเลยนะนี่นะเรียกว่าเข้าใจผิดนะนะทั้งฝ่ายก็เข้าใจผิดพวกทิฐิเหล่านี้ก็เหมือนกันเพราะทุกคนก็ถือว่าตัวเองเนี่ยเข้าใจถูกต้องจริงก็รู้ไม่ตลอดสายทั้งคู่นั่นแหละเสร็จแล้วก็มาถกกันถกกันทะเลาะกันเอาเนะี่ย แต่ละคนก็ถือว่าแหมอีฝ่ายนึงอะรู้ไม่จริงอะฉันเนี่ยรู้จริงฉันจับมากับมือเลยว่ามันเหมือนเสาอ่ะบอกแกไม่จริงหรอกฉันจับมากับมือนั่นแหละว่ามันเหมือนฉางเข้าไม่ใช่เหมือนกระดงอย่างเง้ยก็ทะเลาะกันซัดกันพวกที่ทีหกสองก็เหมือนกันมันทะเลาะกันนะที่ทีหสองอะไม่ใช่สามัคคีกันนะมันก็แบ่งเป็นพวกเป็นพวกคนละกกคนละกกคนละกกคนละกกนั่นแหละ ทีนี้พระพุทธเนรมิตรก็ตรัสถามต่อไปอีกว่าสมณพราหมณ์บางพวกกล่าวทำใดว่าจริงแท้เนี่ยนะว่าจริงว่าแท้เนี่ยนะสมณพราหมณ์แม้พวกอื่นก็กล่าวธรรมะนั้นว่าเปล่าว่าเ ท, ท็จสมณพราหมณ์เหล่านั้นน่ะถือทิฏฐิแม้อย่างนี้แล้วก็วิวาทกันเพราะเหตุไรพวกสมณพราหมณ์จึงไม่กล่าวเป็นอย่างเดียวกันทุกคนก็ถือใช่ไหมแต่ถือคนละอย่างคนละอย่างทำไมไม่ไม่พูดให้เหมือนกันล่ะ ทำไมไม่จัดระเบียบให้มันเหมือนกันให้หมดเลยทำไมไม่พูดเหมือนกันทำไมไม่มีลัทธิเหมือนกันทำไมจะต้องเอาลัทธิมาทะเลาะ ก, กันทำไมคุณผั้ชูทำไมอาศัยลัทธิถือตัวเองก็ถืออย่างในคนก็ถืออย่างมาทะเลาะแก่งแย่งกันในเรื่องทิฐิเนี่ยทำไมไม่ให้มันเป็นเหมือนกันหมดละ่ะ่างคนก็ต่างถืออาลัทธิของตนของตนใช่ไมพระองค์ไม่ตอบเหมือนรเราหรอก แต่ฟังคําถามเพื่อสรุปอีกครั้งว่าสมณพราหมณ์บางพวกกล่าวทําใดว่าจริงแท้คือสมณพรามหมณ์เ่าหนึ่งอะกล่าวบอกพูดแสดงแถลงซึ่งธรรมะคือทิฏฐิปฏิปทรมมักใดอย่างนี้ว่าธรรมะนี้จริงแท้เป็นจริงตามเป็นจริงไม่วิปริต น, นะเขาถือของตัวเองอะ น, นะสมณะแม้พวกอื่นก็กล่าวธรรมะว่าเปล่าเสมอถ้าฉันพูดสิ่งนี้ว่าจริงอีกคนหนึ่งปฏิเสธบอกไม่ใช่เห็นะ สมณะพรามอีกพวกหนึ่งก็กล่าวบอกพูดแสดงถแถลงซึ่งธรรมะคือทิฏฐิปฏิปธรมมรักนั่นแหละอย่างนี้ว่าธรรมะเหล่านี้เปล่าเท็จไม่จริงเลวไหลไม่เป็นไปตามจริงเนี่ยนะก็เหมือนอะไรเหมือนกับคนพนันมวยเนี่ยก็ถือว่าฝ่ายนี้ชนะอีกคนหนึ่งบอกไม่ใช่ฝ่ายโน้นต้องชนะอนนะจริงก็เลยพนันกันอนนะไรไอ้นนี้ก็คล้ายๆกันเนี่ยนะคล้ายกันในแง่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งอะเลวถือว่าอีกฝ่ายหนึ่งต้องแพ้ ไอทิที่ก็เหมือนกันอีกฝ่ายหนึ่งมันรู้ไม่จริงหรอกจริงอ่ะฝ่ายฉันนั่นแหละเพราะงั้นก็ถกกันทะเลาะ ก, กันสงครามทิ่ทีก็เกิดขึ้น